อนาปฏิวันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือสามร้อยยี่ิบห้พิสูตยืนดูอยู่ในอาราม2อพิกษุดูการรบพุ่งที่ผ่านมายังที่พิกษุยืนที่พิสูตนั่งหรือที่พิกษุนอน3าพิสูตเดินสวนทางไปพบ4ีพิสูตมีธุระเดินไปพบ5้พิสูตดูในคราวมีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริตเจพิสูตต้นบัญญัติวิโยทิกะสิกขาบทที่10จบ อเจละกะวักที่ห้าจบ